โอกาสท่านผู้บริหารคณะอาจารย์พระวิปัสนาจารย์ซึ่งมีท่านรองคณบดีคณะสังคมศาสต ร, ร์ซึ่งมีท่านคณบดีรองคณบดีคือพระมหาบุญเลิศอินทปัญโยเป็นต้นเป็นประธานพร้อมทั้ง นิสิตฝ่ายบรรพชิตทุกรูปขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายเครือขันและนิสิตฝ่ายเครือขันทุกท่านได้มาพบท่านทั้งหลาย ในบรรยากาศที่งดงามทางการธรรมชาติที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีปีนี้ท่านทั้งหลายในคณะสังคมศาสต ร, ร์ได้ มาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่มหาจุฬาสมภ์ทรรกลางธรรมชาติที่เป็นสัตว์ป่ายักต่อการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั้นติดตามความเปลี่ยนแปลงภายในตนและนอกตนด้วยสติ เพื่อให้เห็นไฟรักเคืองนิจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยนความทุกข์และความไม่มีแก่นสารแห่งการยึด ม, มั่นถือมั่นการปฏิบัติเช่นนี้อยู่ในธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเร็วถ้าเรามีสติเราจะได้ผลเร็วเพราะว่าอุณหภูมโดยธรรมชาติมัน ขึ้นลงเร็วมาใหม่ๆ ม, มันก็หนาวมากตอนนี้ก็ปรับตัวได้อากาศกลางคืนก็ไม่หนาวเท่าไหร่ไม่เหมือนกับการปฏิบัติในห้องที่เขาควบคุมด้วยเทคโนโลยีทำให้อุณหภูมิมันคงที่การเปลี่ยนแปลง ต่างๆบางทีมันก็ไม่รวดเร็วเหมือนเรามาปฏิบัติที่นี่เคยสนทนาธรรมกับพระป่าที่ท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยมันเกือกูลอยู่ต่อสติของเราแม้แต่ใบไม้ ที่มันเปลี่ยนสีในแต่ละช่วงของในแต่ละวันในแต่ละช่วงก็เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะให้กับเราได้พระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมะอยู่ในท่ากลางธรรมชาติชีวิตของพระองค์เกิดในตระกูลสง์เป็นเจ้าชาย ก็จิ๋แต่เวลาประสูติไปประสูติใต้ต้นไม้ในสวนลุมพินีปฏิบัติธรรมก็ไปสัสรู้ใต้ต้นโพต้นศรีมหาโพนิพพานคือสิ้นชีพก็อยู่ใต้ต้นสาระ เกี่ยวข้องกับธรรมชาติธรรมชาติปรับจิตให้อ่อนโยนควรแก่การงานภาษาเขาเรียกว่ามุทุกกรรมนิยะจิตที่อ่อนใช้ทำงานได้ดีอ่อนเหมือนดินเหนียว เวลาเราจะปั้นตุกกตาเราจะทำให้ดินเนี่ยมันอ่อนด้วยการผสมน้ำพอผสมน้ำเข้าไปดินแข็งๆมันจะกลายเป็นดินเหนียวปั้นรูปเป็นตุกกตาเป็นอิฐได้ง่ายเพราะมันมีธรรมชาติอ่อน คือ น, น้ำเข้าไปผให้ปผส ม, ปปสมจิตเป็นมุทุกกรรมนียักก็คือดินเหนียวพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปเป็นอิดเป็นก้อนอิดเป็นตุกกตาได้จิตที่แข็งจะเปลี่ยนรูปได้ยาก แข็งคือเหมือนแช่แข็งอยู่ในอารมณ์เดียวตลอดอารมณ์ที่เป็นข่้ศึกต่อการปฏิบัติธรรมเป็นเกาะ บ, บางเรื่องทำให้เกิดความโลภบางเรื่องทาให้โกรธฆ่ า, าพยาบามบางเรื่องทำให้เกิดความหลงความกลัวจิตที่มันโลภ มันโกรธมันหลงเป็นจิตที่แข็งทำอะไรเขาไม่เได้เวลาที่เราโกรธไม่เห็นอักไม่เห็นทำเวลาโกรธใครใครจะมาชี้แจงอธิบายอะไรปรับความเข้าใจไม่เคยฟังดีไม่ดีฟังแล้วทะเลาะกันเพิ่มดิบด่า ก, กันอี มันไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ฟังตลอดความขัดแย้งในสังคมในบ้านเมืองมันมาจากทิฏฐิใช่ความหลงผิดยึดผิดคนละด้านคนละจุดแล้วมีอารมณ์เข้าไปผูกพันกับเรื่องที่ตัวเองคิดว่าถูกพอใครมาพูดผิดไปจากที่เราคิด ไม่ฟังไม่ปรับทัศนคเข้าหากันจิตมันแข็งคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วบางทีเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราตั้งจิตเป็นทัศนคไว้ต่างจากที่เขาพูดเขาสอนพูด ต่างจากที่เราเคยคิดมาเคยเข้าใจมาพอฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกมันขัดขัดเลยไม่อยากฟังไม่อยากเรียนไม่ต้องอะไรมากแค่การเรียนภาษาอังกฤษเราเคยออกเสียงอย่างนี้ พอคนมาสอนให้ออกเสียงอีกอย่าง่งดักมันยากลำก็คิดว่าเขาออกเสียงผิดเราไม่ยอมรับหรือว่าไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันผิดมันรับใหม่ยากฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยมันจะมีความคิดพื้นฐานซึ่งถ้าเราไม่ ไม่มองด้านในเนี่ยเราจะยึดติดกับความคิดที่เรายึดและสังคมมันก็วุ่นวายเราเรียนในคณะสังคมศาสตร์เรามักจะคิดเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโดยไม่ได้ใส่ใจว่าที่มาของพฤติกรรมมันอยู่ที่ความคิด ถ้าเราจัดการความคิดเขาไม่ได้มันก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเราจัดการความคิดของเราไม่ได้เราก็ปรับเข้าหาเขาไม่ได้มันเริ่มมาจากที่ใจของเราการที่เราจะไปนำคนอื่นเราต้องนำจิตใจของเรา การที่เราจะประสบความสาเร็จในการไปอยู่ร่วมกับคนอื่นเราต้องประสบความสาเร็จในการชนะใจของเราฉะนั้นสังคมศาสตร์ทั่วไปเนี่ยมันมองข้างนอกมันมีทฤษฎีทางสังคมทฤษฎีทางเศรษฐกิจทฤษฎีอะไรมากมาย แต่เขาไม่ได้สอนที่เริ่มจากข้างในและเบิกจากข้างในมหาจุฬาของเราเนี่ยสอนตรงนี้แต่การสอนตรงนี้มันจะไม่ได้ผลถ้าไม่มานั่งกรรมฐานคนที่ประสบความสาเร็จในการทางานร่วมกับคนอื่นเป็นผู้นา กว่าฝรั่งเขาจะมารู้ว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรมันก็ผ่านมาหลายร้อยบาทีเป็นพันปีมันไม่ได้มาจาก i อคอย่างเดียวมันไม่ได้มาจากสติปัญญาความรู้อย่างเดียวความรู้ที่สตอย่างเดียวมันมาจากอ q เป็นเรื่องสาคัญ ความฉลาดในอารมณ์แลวเขาก็บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาติดตามตั้งแต่เด็กเป็นอนุเด็กอนุบาลสามสิบสี่สิบปีทาวิจัยตามไปคนไหนที่ตอนเด็กเนี่ยมีความฉลาดในอารมณ์มกักจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า คนที่เรียนเก่งแต่ไม่ฉลาดในอารมณ์มีไอคิสูงแต่ขาดอ q คิเวลาเขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเขาทำเป็นระบบสามสิบสี่สิบห้าสิบปี <c oughs> โดยเริ่มจากเด็กๆศึกษาเด็กๆในห้องเรียนให้ครูร่วมมือ แจกขนมเช่นช็อกโกแลตเด็กอนุบาลทุกคนให้ครูแจกแล้วให้ครูบอกกับเด็กว่าอย่าเพิ่งทานช็อกโกแลตที่ให้นะครูไปธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งให้นักเรียนทุกคนรอก่อนวางช็อกโกแลตไว้ข้างหน้าตัวเอง ครูไปธุระข้างนอกกลับมาแล้วมายืนอยู่หน้าห้องแล้วพวกเธอค่อยทานช็อกโกแตพร้อมกันจากนั้นครูก็เดินออกนอกห้องเรียนโดยผู้ที่ทำการศึกษาเนี่ยแอบสังเกตการอยู่ข้างนอกกระจกมันมองได้ด้านเดียวคือข้างนอกมองข้างใน อยู่ข้างในมองไม่เห็นคนที่สังเกตเด็กๆ เ, เพราะฉะนั้นเมื่อครูไม่อยู่ในห้องเด็กเขาก็ทํทำตัวต่างสบายบางคนมองช็อกโกแลตแล้วอยากกินครูก็ไม่มาสักทีครูไป น, นนะหนามองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครก็แอบขัดใส่ปาก กินเลยบางคนก็แค่แตกๆ แ, แล้วก็วางบางคนก็นั่งมองอยากกินแต่ไม่กินรอจนคุณครูตักมาจิงค่อยกินเด็กอย่าน้อยสามกลุ่มเนี่ยมีใครบ้างเขาก็จดชื่อไว้คนไหนที่ เก็บอารมณ์ไม่อยู่อยากกินกินกับเด็กที่อยากกินแต่ไม่กินและเด็กกลา ง, งที่แต่ก็กินเหมือนกันกินครึ่งหนึ่งแอบกินเขาจดชื่อตามตลอดจนไปเรียนมหาวิทยาลัยจนเรียนจบไปทำงานมีครอบครวัวมีงานมีการป ร, รากฏว่าระยะยาวเนี่ย เด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ที่ไม่กินช็อกโกแลตก่อนไปแต่งงานก็มีความสุขในครอบครัวไม่การหย่าร้างก็ไม่ไคยมีเก็ตอารมณ์เก่งไปทำงานเจ้านายก็รักเพื่อนร่วมงานก็รักไม่ขัดแย้งกับใคร แถมเป็นผู้นำเป็นส่วนใหญ่ต่างแย่างพวกที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่งงานมีครอบครัวก็มีปัญหาอย่าร้างทำ ง, งานก็ไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนร่วมงานหรือของเจ้านายเป็นผู้นำก็อยู่ได้ไม่นานมันแสดงถึงว่าเด็ก มีความฉลาดในอารมณ์เนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าก็เป็นที่มาของคำว่าอีคิมในวงการศึกษาและถามว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดในอารมณ์มีขันติอดทนไม่กินอะไรอย่างที่ครูสอนครูสั่ง มันมากกว่าขันติมากกว่าทนคนมันจะทนได้ช่วขณะใครมาด่าเราเราก็ทนให้เขาด่าแต่พอมาถึงจุดหนึ่งมันขันติเป็นขันแตกระเบิดใส่คนที่จะทนอยู่นี่มันไม่ใช่แค่ทนกักฟักนกอดกอกมันอยู่ที่วิธีคิด ในขณะที่เราเรานั่งฟังคนบน่นคนว่าคนอะไรต่างเราคิดไปด้วยถ้าคิดไปตามที่เขาด่าเขาว่าเราก็ยิ่งโกรธเราก็ยิ่งระเบิดออกมาแต่ถ้าคิดด้วยวิธีที่ทำให้มันลดความโกรธ ทำให้มันนิ่งโดยไม่ต้องทนฝืนทนเนี่ยเาเรียกความฉลาดในอารมณ์คือจัดการกับความรู้สึกของตนเองด้วยความฉลาดเหมือนกับที่เราจัดการกับความคิดของเราในขณะปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละในขณะที่เราพิจารณาพ้อมยุค จิตเราฟุ้งซ่านเราจัดการกับความฟุ้งซ่านอย่างไรจิตลโกรธเราจัดการกับจิตที่โกรธในขณะพิจารณาพอมยุคอย่างไรในขณะที่จิตเราเหินลอยออกไปจากอารมณ์กรรมฐานวิ่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรารู้ถัน แล้วเราดึงมันกลับมาทันปัจจุบันไหมถ้าเราทำได้คือเราฉลาดในอารมณ์อย่างที่ฝรั่งเขาบอกตัวฉลาดในอารมณ์คือรู้ทันปัจจุบันของจิตของเราจิตท้อถอยเราก็รู้ว่ามันท้อถอยจิต มันฟุ้งก็ให้รู้ว่ามันฟุง้งจัดการกับนิวรณ์ทั้งห้าที่เรียกว่าปรับอินเซียแท้ที่จริงกระบวนการฉลาดในอารมณ์ก็คือการปรับปรับจิตปรับอินเียให้มันนิ่งอยู่กับ อารมณ์ที่เรากำลังทําในพิจารณาในปัจจุบันเรากำลังทําเรื่องใดที่เป็นปัจจุบันที่สำคัญที่เรียกว่าเอากขตาคือเรื่องสำคัญเรื่องเดียวเช่นตัวพอมยุคนิ่งอยู่ตรงนั้นก็คือสมาธิเป็นขณิกสมาธิพิจารณาด้วยสติให้เกิดปัญญา ให้เห็นอันทีจังทุกขังอรนั้นตาในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยจิตมันไม่ใช่จะนิ่งสงบ ม, มันวุ่นวายมันสับสนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งวิปัสสนาจารย์ถ้าเรากำกับมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรขึ้นมากระบวนการแก้ไขจิตใจของเราขณะปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เกิดความรู้ทันจิตแล้วแก้ไขทั้งหมด เป็นความฉลาดใช่ไหมละ่ะเป็นความรู้เท่าทันจิตของเราเวลาที่จิตท้อมันไม่ใช่ให้มันท้ออย่างนั้นต้องปรับให้มันมีความเพียรจิตมันฟุ้งก็ต้องดึงลงมาให้มันมีสมาธิเขาเรียกปรับอีกสี่งดังพระบาลีที่ว่าลีเนจิตตัมอิปักเท้าโอ จิตมันตกไปจากอารมณ์ให้ยกขึ้นมาอุทาตตาสเมิงวินิเขโหจิตมันเหยอลอยมันฟุ้งมันไปไหนก็ไม่รู้ก็ดึงลงมาขยันมากเกินไปฟุ้งเกียดคลานมาก็เฉยทีนี้ถ้าเรารู้ถางจิตของเรา ไปทำงานไปเรียนหนังสือเมื่อใดที่จิตเราท้อถอยเราก็ปลุกให้ใส่ใจกับเรื่องที่เราเรียนเมื่อใดที่จิตของเราฟุ้งซ่านพอจะถึงวันสอบพรุ่งนี้มันเครียดนอนไม่หลับทำอย่างไรจิตจะหวานอุเบกขาให้จิตมันสงบ พักผ่อนได้กระบวนการในการดูแลจิตใจของตนเองทั้งหมดทำให้เราดำรงชีวิตได้ถูกต้องเรียนหนังสือก็อประสบความสำเร็จทำงานกับคนอื่นเราก็รู้จักปรับจิตเพราะฉะนั้น ฉลาดในอารมณ์ที่ฝรั่งเขากําหนดนี่มันคือฉลาดในอารมณ์ของตนเองฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นฉลาดในอารมณ์ของตนเองก็คือในการปรับจิตใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างที่ว่าและถ้าเรารู้อารมณ์ของคนอื่นเราสามารถ ปรับอารมณ์ของตนเองด้วยคําพูดของเราด้วยการกระทําของเราเราก็เป็นผู้นาฉลาดในอารมณ์ของตนเองเราก็นําตัวเองไม่ใช่เวลาเศร้าก็เศร้าไปอยู่อย่างนั้นจดค่าตัวตายเวลาเศร้ามันต้องดึงจิตออกจากความเศร้า มจิตจะไม่ค่าตัวตายคนเราเนี่ยคนอื่นเศร้าก็อื่นท้อถอยเราพูดอย่างไรให้เขาเลิกเศร้าให้เลิกท้อถอยเราก็นําจิตของเขาแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะนําจิตของเราเราจะไปนําคนอื่นได้อย่างไร เราไม่รู้วิธีคิดเพื Alors, ่อจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราเราจะไปจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความฉลาดในอารมณ์จึงฉลาดในอารมณ์ของตนเองและจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ถูกต้องความฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นและจัดการกับอารมณ์ของคนอื่นได้ถูกต้อง ในสติปัฏฐานสูตรจึงใช้คําว่าอัจฉรตังวาพหิตท่าวาฉลาดในอารมณ์ภายในของเราเองเป็นอัจฉตังฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นเป็นพหิตท่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติอัจฉริตังวาพหิท่าวา รู้แต่เรื่องเราเองฉลาดในอารมณ์ของตอนเองก็เป็นส่วนหนึ่งฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นรู้เรื่องคนอื่นจาัด ก, กา ร, รอารมณ์คนอื่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราเรียนเรื่องสังค ม, มศาสตร์มันจะต้องมีทั้งสองการศึกษาทั่วไปเนี่ยอาจจะให้เฉพาะความฉลาด หรือความคิดถึงคนอื่นแต่ไม่ฉลาดในอารมณ์ของตัวเองโอกาสที่จะฉลาดในอารมณ์ของตนเองมีอยู่ที่นี่คือการปฏิบัติธรรมเราอยากประสบความสำเร็จในการเรียนในการใช้ความรู้ไปทางานที่นี่แหละคือ มหาวิทยาลัยในชีวิตจิตที่จะสอนให้เรารู้ทันตนเองรู้ทันคนอื่นนำตนเองและนำคนอื่นซึ่งมหาจุฬาเขาจัดหลักสูตรนี้ให้ในช่วงที่ผมเป็นนิสิตของมหาจุฬาเมื่อสี่สิบกว่าปีมาแล้วไม่มีหลักสูตรชนนี้ ไม่มีการให้ออกมาปฏิบัติกรรฐานร่วมกันมีจะสอนในห้องเรียนในขณะที่ผมเรียนปีสุดท้ายเนะี่ยเป็นนิสิตปีสก็ทากิจกรรมที่วัดที่ผมอยู่คือจัดอบรมนักเทศผมเป็นเลขาโครการบริหารโครงการ สามเดือนในพรรษาทุกวันพระนิมนต์และเชิญวิทยากรมาบรรยายทุกวันพระความรับผิดชอบทำให้เกิดความเครียดความกังวลว่าวิทยากรที่มารับปากแล้วถึงเวลาจะมาหรือไม่มาและถ้าไม่มาเนี่ย เราจะหาใครแทนทาหรือไม่มันมีความกังวลลึกๆอยู่สำหรับผู้ที่รับผิดชอบเป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์ความเครียดมันก็สะสมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงกลางพรรษาตอนตอนที่ทํเนี่ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทาในพรนษานอกพรนษา ต้นปีสมัยรุ่นยังไม่ได้ทำเนื้อสตว์จนมอถึ ง, องกลางๆเนี่ยออกคันสามมปรากฏว่าความเครียดันสะรส่งความรับผิดชอบผอเพิ่มทำยังไงท้งจะลดความเครียดในการที่จะทำเพราะความเครียดมันเกิดมันจะทะเลาะกับเพื่อนร่วม ง, งานเพราะเราจริงจัง ในที่สุดก็ขอลาเจ็ดวันไปนั่งกรรมฐานที่วิเวกอสมเนี่ยใช้วิธีพองยุคอย่างนี้ต้นตำรับอยู่ที่วเวกอสมชนบุรีปฏิบัติเจ็ดวันอยู่กุฏิวิปัสนาเล็กๆคนเดียวท่านพัฒ น, นตะอสภะ หลวงพ่อจากเขมามกท่านเป็นวิปัสนาจารย์ใหญ่พูดผมฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบงันปฏิบัติอยู่ออกไปดิฉา บ, บาตกับเขากลับมาเขาก็จะเห็นจะเห็นโยคีเนี่ยถือขันกระป๋องนยไปที่มุมมุมหนึ่งแล้วก็ถือันกลับมาผมก็ตามไปดูว่าเป็นอะไร มันเป็นยาดองได้นะมุดเนา่ามาขามป้องเนี่ยแช่มุดเน่าก็คือปัสป ส, สวาวะเนี่ยโถไห้อะนะแล้วไปตากไว้ที่กลางแดดแล้วเขาก็ไปตกักมาดื่มเป็นยาที่นิสัยเสียเขาทำได้เ่ย แต่ผมก็ไม่กล้าลองนะก็ไปดูเขาปฏิบัติอยู่นี่นั่นพอปฏิบัติอยู่ที่นั่นเนี่ยความเครียดมันจัดการได้มันรู้ทำพอจะเกิดความเครียดเราคิดอย่างไรลดมันอย่างไรแต่ก่อนนั้นเวลาจะสอนที่เครียด เตรียมสอบเตรียมอะไราต่างๆตาของขวังแต่พอเราฉลาดในอารมณ์คุมอารมณ์ได้ความเครียดมันก็มีไม่มีสตรสไปเรียนสูงขึ้นปริ ญ, ญาโทรปริ ญ, ญาเอกกับเรียนได้เพาจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ มาทำงานเยอะแยะหมดตอนนี้อย่างตำแหน่งที่เขาพูดมีคนถามผมไม่เครียดเครียดปล่อยวางได้แต่มันอยู่ที่อานิสงส์งของการปฏิบัติซึ่งในสมัยนุ้นยังไม่มีหลักสูตรใค้ไม่มีกิจกรรมอย่างนี้ แต่มาในยุคนี้ท่านทั้งหลายโชคดปีกว่ารุ่นผมมีวิปัสนาจารย์คอยดูแลให้อย่างดีเพียงแต่ท่านจะต้องมองเห็นว่าสิ่งที่กำลังปฏิบัติมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตจริงไม่ว่าเป็นการเรียนไม่ว่าเป็นการทำงาน ในการเรียนเนี่ยท่านจิตท่านแข็งวันหนึ่งท่านเรียนสี่วิชาห้าวิชาวิชาไหนชอบท่านก็ตั้งใจเรียนพอหมดชั่วโมงแล้วจะไปเรียนวิชาใหม่จิตมันไม่ขายมันยึดเนี่ยมันยังอินอยู่กับวิชาที่เพิ่งจบไปและยิ่งบัเงเอิญอาจารย์ที่มาสอนไม่ถูกจริตเราด้วยไม่ชอบ วิชาไม่ชอบหน้าเนี่ยมันไม่ปรับไปเรียนวิชาใหม่เขาจ ะ, ะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเก่งด้านเดียวเรียนสาขาไหนเนี่ยมันก็จะดิ่งไปตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้หลากหลายศาสตรทันที่ฝึกจิต เราจะหาคนที่เรียนได้ทั้งสายวิทย์สายสิ่งมันยากในโลกนี้คนที่เรียนชัน้ตนิสสตร์เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะไม่ทราบซึ้งกับความงามของธรรมชาติศิล ป, ปะอยู่กับตัวเลขมากไปอยู่กับ สิ่งที่เป็นมัชี i เป็นเครื่องจักรมากไปคิดอะไรมันก็แข็งส่วนคนที่เป็นสายสิปเป็นศินละปะเป็นศินลปินอารมณ์ก็จะอ่อนไหวไม่สามารถจัดการแมเนจเมนต์เลยแม้กระทั่งชีวิตตัวเอง เขาเรียกใจอ่อนไม่สังเกตหลือพวกศิลปินพวกนักร้องมีเงินเยอะแยะเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านพอตายขึ้นมาแม้แต่บ้านให้ลูกเมียอยู่ก็มีเงินมันหายไปไหนหมดผมเคยไปเทศงานพวกศิลปินดังๆพวกนี้สงสารลูกเมียครับแม้แต่ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นร้อยล้านเนี่ บริหารตัวเองอย่างไม่ได้หมดความคิดมันไปได้เดียวไม่สามารถคิดในสิ่งที่มันนอกกรอบแห่งความคิดได้คนที่บริหารแต่ขาดเมตตากรุณาก็มี ไม่มีศิละปะในการครองคนเอาแต่กฎหมายเอาแต่ระเบียบเอาแต่อำนาจขาดธรรมะที่เรียกขาดธรรมะธรรมะเป็นเรื่องของความอ่อนของจิตด้วยเมตตารุณาเศรษฐศาสตร์ที่มันเป็นเพียวอีโคโนมิส์มันจึงมองมนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เป็นตัวเลขเป็นรายได้เป็นลายไปหมดแต่ไม่มองความเป็นคนเพราะมันตรงในขั้นจิตที่ไม่มีสมาธิมันมองด้านเดียวมันแข็งมันเป็นทรายมันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่มองแวล e ไม่มองคุณค่า ส่วนที่มองคุณค่าก็มักจะไม่เข้าใจเรื่องศาตร์มหาจราเขาพยายามให้ท่านมองทั้งสองส่วนมันจึงมีปรัชญาว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม เราจะเข้าใจทันทีเมื่อเรามาปฏิบัติซาสมัยใหม่มันแข่งถ้ามันไม่มีส่วนที่มันเป็นคุณค่าที่เป็น value คนมันจริงคุยกันไม่รู้เรื่องคนระับเพราะมันลืมแก่งให้ความเป็นมนุษย์คือจิตใจและเราก็มับใจมองด้านเดียว มองเรื่องของศาสรสนาเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำอะไรละบากแข่งขันไม่ได้ในขณะที่พวกไปต่อสู้ไปแข่งขันไปอะไรต่างก็แข็งปเป็นแบบทำไงถึงจะผสมผสานให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตัวอย่างของ มนุษย์ทีสมบูรณ์ก็คือในหลวงราชการที่เก้าเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระอนุชาราชการที่แปดราชการที่แปดคลองราชสงเป็นพระอนุชาก็เลือกเรียนปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์แต่พอได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน รัชการที่เก้าแทนที่รัชการที่แปดเปลี่ยนมาเรียนสาย <c oughs> สังคมสายศิลปะอะไรครับให้มันอ่อนลงแต่พื้นฐานในทางวิทยาศาสตร์ท่านยังมีใจชอบพอมาครองราชก็ยังไม่ทิ้งเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำฝนหลวง เครื่องการหานน้ำใช้พัฒนาเรื่องมชีนเครื่องจักรอะไรต่างๆย่างทำอย่างคิดเป็นสถิติเป็นวิทยาศาสตร์พอใจชอบแต่ขณะเดียวกันที่จะต้องมาปกครองก็หันไปทางศิลปะทางธรรมะโดย ปกครองด้วยธรรมะครองแผ่นดินโดยธรรมสนใจดนตรีการถ่ายภาพที่สำคัญปฏิบัติกรรมณาปฏิบัติกรรมณเนี่ยศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นอุปทานอของมนตรีเล่าว่าตัวท่านเองะนะศาสาจารย์สัญญา นั่งกรรมฐ า, านวันละ20นาทีสมัยโน้นที่อาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ยัแข็งเลยผมไปนั่งฟังท่านพูดที่ตึกสันติมิตรีธรรมเนียบรัฐบาลท่านบอกว่าสู้ในหลวงไม่ไในหลวงนั่งกรรมฐ า, านวันละ40นาทีในหลวงราชการทก่9แล้วไปฟังเทศในหลวงชอบฟังเทศ ตอนที่เข้าพรรษาก็จะถวายสังฆทานในบนพระไปที่วังตอนสุนิตผมจำได้วันครั้งหนึ่งผมยังมีพระผู้น้อยก็ได้รับในบนเข้าไปในหลวงมีพระสักราชวันบุวัเนียเป็นประธานพระเขาไปนั่งก้าวรในห้องเล็กๆนั่งบนอาสนะที่ขุบก ในหลวงเสด็จมา ก, ก็ถอดฉลองพระบาทถอดรองเท้าค้างเขาเข้ามาพร้อมเสด็จพระนางเจ้าอาราธนาศีลนึน่ฝั่งพระเจริญพุทธมนตรเสร็จแล้วก็สนทนาธรรมกับพระสารราชนั่งนนะั่งผมนั่งอยู่ท้ายๆผมไม่รู้ว่าไม่ได้ยินอว่าสนทนากกับเรื่องอะไร เวลามีโอกาสที่ผมไปถวายพระธรรมทศนาเองพอมาประคีมจะถามถามเรื่องที่เทพบ้างถามเล่าให้ฟังบ้างว่าที่ท่านเทศเกี่ยวข้องอะไรกันอะไรอย่างผมไปเทศงานสมเด็จญาณการสพสมเด็จญาณมาประคีมของ ก็จะเล่าถึงสมงเดชย่าให้ผมฟังว่าสมงเดชย่าเนี่ยทำอะไรเป็นยังไงเหมือนกับที่ท่านเทศเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเทศที่วังไกลกังวลที่หัวหยินจำได้ว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมงเดชพระหนังเจ้าวันที่สิบสองสิงหาเวลาในหลวงมาประเค์ ก็ะถามที่เรื่องที่ผมเทศว่าเอามาจากไหนเรื่องที่เล่าเนี่ยเอามาจากไหนผมก็ตอบ ว, ว่าเอามาจากพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้ในหลวงก็ท่งบอกว่าช่วยถ่ายเอกสารมาต้นฉบับมาให้ด้วยนะ ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีผมดึเนืงเง้จ่ยนี่ถ้าเราเมครัพขึ้นมายุ่งเลยดูต้นฉบับเรื่องที่ผมพูดดิว่ามาจากไหนแล้วช่วยส่งไปที่สำนักราชเลขาธิการไม่ใช่สำนักราชาวังแนะให้ด้วยผมกลับมาแล้วผมก็ต้องส่งไงทำไมก่อนมันไม่มี เหมือนอย่างสมัยนีนะ้ต้องส่งเป็นไทยเจ้าสารส่งไปเสนีไปพอส่งไปได้สักเจ็วันทางเลขาธิการราชาเลขาธิการเขามีหนังสือตอบมาว่าส่งได้รับแล้วส่งขอบพระไทยสแสดงถึงเรื่องเล็กน้อยเรื่องธรรมะเนี่ยนไทย จนพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกออกมาพวกเราคนจะต้องได้อ่านต้นฉบับเนี่ยเป็นภาษาบาลียาวทรงแปลเป็นภาษาไทยด้วยภาษาไทยง่ายๆไพราะของพระองคแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทอดหนึงไพราะทั้งสองภาษาลองดูอ่ะ ผู้ที่ทรงงานหนักทำงานหนักและมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและทำได้ดีอย่างนี้จิตจะต้องมีสมาธิเป็นอย่างยี่ใช้เวลาทำหนังสือเล่มนี้นะมหาชนกเนะี่ยตั้งแต่วันที่ได้ไอเดียมาจนกระทั่งพิมพ์เป็นเล่มยี่สิบปีดูในคำนำนะเราจะรู้ ยี่สิปีคนถ้าไม่มีสมาธิต่อเนื่องเนี่ยทาไม่เสร็จได้แรงบันดาลใจจากการฟังเทศจากคำนำนี่ยนะของเรื่องมหาชนกนในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงคิดแต่งหรือแปลเรื่องนี้สรุปด้วยภาษาตัวเองเรื่องมหาชนก จากก า, การไปฟังธรรมฟังสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาติการามเทศเรื่องมหาชนกเนี่ยเป็นเซียเ่ยวน่ดตอนท้ายๆในชีวิตของมหาชนกเนี่ยตอนเปลี่ยนประชับาแผดดิแล้วไม่ใช่ตอนที่ไหวนะครับแล้วเกิดสะดุดพระไทยในหลวงเนี่ยสนใจขึ้นมาทันทีไปค้นต่อนะ เข้าใจว่าคงค้นท่านภาษาไทยที่แปลจากภาษาบาลีแล้วคนในภาษาอังกฤษเพราะาชาติหนก็แปลเป็นภาษาอังกฤษดูอย่างละเอียดท่านพระบาลีใส่ปริศมทั้งอัจฉกถยะแล้วก็ส่งเรียกเรียงเปลี่ยนภาษาไทยภาษาอังกฤษปรึกษานักปราบราชับดิตกว่าจะตรวจปร๊ทำลารเศษพิมพ์เสษยี่สิบปี เหมือนกับเรื่องมหาชนกเนี่ยมีความเพียรที่ต่อเนื่องทำอะไรแล้วทำจริงต่อเนื่องจนเสร็จทำให้ผมเข้าใจว่าทำไมราัชาการที่ห้าเนี่ยไปไหนก็จะมีพระราชนีพลเยอยเอาเวลาที่ไหนมาทำหนึ่งจิตจะต้องมี มีสมาธิจิตอ่อนควรแก่การกันเพราะว่าเรื่องที่ทานี่มันหลากหลายเวลาแต่งร้อยกรองเนี่ยจิตจะต้องอ่อนแต่เวลาปกครองบ้านเมืองดีวิ่ดีเกิดความขัดแยง้งฝรั่งเศสจะมายึดบ้านเมืองเนี่ยมันจิตแข็งท่านราชการที่ห้าแต่พอมาเข้าห้อง แตกหนันงสือจิตเป็นอีกอย่างจนออกมาเป็นราชการที่หา้ามหาจุฬาลมหาจุฬามหาจุฬ า, า, าลงกรอนคือพระนามของพระองค์เจนได้มีพระราชนิคฐนมากมายทั้งร้อยแก้วร้อยกรอบและบางอย่างเราก็ทึ่ง แต่งได้ยังไงเหมือนกับอย่างเช่นในเรื่องของที่รัชกาลที่ห้าได้พระราชนิพนธ์เป็นบทบทโครบทอะไรต่างๆแม้กระทั่งตอนที่ฝรั่งเศสบุกท่าจะมายึ้นประเทศไทย ส่งเรือปืนสามลำมาอยู่ที่แม่น้ำาจะพญายใกล้วงังเอาปืนจอ่อปืนใหญ่จอดซึ่งก่อนหน้านั้นแปปีอังกฤษได้ทำกับพมา่าเอาเรือปืนบุกอย่างนี้ยึดประเทศพม่าเป็นเมืองขึ้นไปแล้วสองพันสี่ร้อยสามสิบหกฝรั่งเศสก็ทำแบบเดียวนะ จะยึดประเทศไทยแลจะแลจราชการที่ห้าไม่มีไม่มีกำลังอาวุธที่จะสู้มันก็จะเหมือนพมา่าแหลตรงนี้ต้องฉลาดในอารมณ์เป็นอย่างยิ่งแข็งมากเกินไปท้าตีท้าต่อยฝรั่งเศสเขาก็หาเรื่องยึดประเทศไทยเหมือนกับที่พระเจ้าสีปองของพมา่าท้าทายอังกฤษอกฤยึดประเทศไปเลยก่อนหน้านั้น ก็คือ 2,428 พม่าเป็นมึงขึ้นนะทั้งประเทศ 2,436 ประเทศไทยโดนบ้างเรือปืนมาจอบเพื่อจะยึดประเทศไทยรัชาการที่ห้าเก็บอารมณ์เครียดและทำยังไงถ้าหลอคิด แข็งไปเขาก็ยืดเป็นเบื้องขึ้นอ่อนไปเขาก็ยืดมาป่ากับลูกแก่ในช่วงที่กำลังเครียดราชการที่ห้าแต่งบทประพันธ์ร้อยกรองถึงความรู้สึกของพระองค์เป็นโครงส่งไปให้สมเด็จกรงพยานํำรงราชานุภาพ น้องชายระบายความรู้สึกของตัวเองของพระเจ้าแผ่นดินที่เกรงว่าจะเสียเอกราชเป็นเหมือนขึ้นกิดไม่ได้นอนไปหลับเหมือกันเลยหาทางออกโดยระบายเขียนเป็นบทโคลงส่งไปที่กรมพยาธิลมกรมพยาธิลมก็ทามาเผยแกล้งตอหลังเนี่ยข้อความคือเป็นโคลงว่าเจ็บนานหนักหกผู้ บริรักปวงแห่คิดใคร่ลาลานหักปลดเปื้อนความเหนื่อยแห่งกูจับพันสางกูจัดสู่พบเบื้องหน้านั้นพันเกษกูจัดสู่พบหน้าเบื้องนั้นพันเกษหมายีึงว่าตายจะ่เล่นเหมืกับผมไม่ทุกข์นะัเครียดขนาดไหน ดังการที่ห้าสองพันสี่ร้อยสามสิบหกหลังจากนั้นสามปีสองพันสี่ร้อยสาสิเก้าเจตถาปนามหาชุราเปลี่ยนชื่อมหาธาตุวิไลเป็นมหาชุลาลวงก่อนและวไิไลเพือรักษาเอกราศได้ใต้บทโพรงนี้เขียนเป็นกล่าวอธิบายว่ากลัวเป็นทวิราชบอตรีป้องอายุทยา เสียเมืองจิตบินทางบละเว้นกูว่างวายคิดใดจะเกี่ยนแก้ก็พบพบซึ่งเงื่อนสายสมหน้ามนุษย์อายจึงจะอุดและเลยสูงถ้าเสียเมืองนี่มันอายผู้คนขอตายดีกว่านี่คืออารมณ์ความรู้สึกและทรงระบายมาเป็นบท บทพระราชมิคลฉลาดในอารมณ์และก็ใช้วิธีทางการพูดพาประเทศลอดปากเอยวปากการเป็นเอกราชอยู่ในในเอเชียนเนยหรือไทยญี่ปุ่นและก็จีนสามประเทศต้องแล้วเป็นเมืองขึ้นหมดเพราะฉะนั้นการที่ไม่ ตึงไม่แรงเกินไปไม่อ่อนเกินไปพอดิบพอดีอรัชการที่ห้าท่านทรงทำรัชการที่กเก้าก็แบบเดียวและเราก็เห็นผลงานในรุ่นพวกท่านเห็นผลงานของพระองค์รัชการที่เก้ามากมายสามารถที่จะผสมผสานระหว่างสิ่งที่มันสุดตรงด้านหนึ่งกับสิ่งที่อีกด้านหนึ่งทั้งศาสตร์ทั้งคุณค่า ทั้งศาสนาได้อย่างกลมกลืนและราชการที่ก้าวในเรารู้ว่าทรงปฏิบัติธรรมซึ่งเรื่องนี้จะไม่มีทางทำได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมเอาไปใช้ในชีวิตจริงท่านทั้งหลายก็เรียนในคณะสังคมก็จะต้องเริ่มจากข้างในรู้จักตนเอง แล้วก็ปฏิบัติพัฒนาตนเองก็ไปหนักไปก็ตามปรัชญามหาชุลาฯมหาชุลาฯเขาจัดการศึกษาศาสนาบูรณ า, าการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมเราเรียนตรงนี้อย่าไปมองแต่เรื่องสังคมมองที่จิตใจและพัฒนาตนเองตอนนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาอย่าให้ประสบการณ์นี่มันหยุดอยู่แค่นี้โดยไม่เพิ่ม ความฉลาดในอารมณ์ให้ท่านถือว่าเรามาสะสมปัญญาในด้านนี้ไปจัดการกับตัวเองเวลาที่เรียนในห้องเรียนต่อไปเวลาที่ทํางานทำกิจกรรมหรือทําประโยชน์ต่อไปซึ่งก็จะเป็นการได้รับการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งท่านเรียนแต่ห้องเรียน และเ็าเรียนในภาคปฏิบัติเป็นปริยัตรปฏิบัติและนำไปสู่ผลในชีวิตจริงซึ่งเป็นปฏิเวทเอาไปใช้จริงและการที่เราได้โอกาสตรงนี้ก็เพราะท่านผู้บริหารคณาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ได้เสียสละเวลามาดูแลให้เกิดประสบการณ์ที่งดนามซึ่งก็ใกล้จะ จบโครงการเมื่อท่านกลับไปสู่ชีวิตตามปกติก็ต้องนำเอาความฉลาดเนี่ยสะสมเพิ่มเติมอย่างมาทึไม่ตรงนี้ให้สัมผัสกับชีวิตจริงให้ได้และมันจะเป็นประโยชน์ภัยสารและท่านก็จะเห็นว่าเวลาที่มาอยู่ที่นี่ในอนาคตมัน ม, มันคุ้มค่ายอย่างไรเหมือนกับที่ผมมองประสบการณ์ของผมที่ไปปฏิบัติที่เวาสน์ มันมีประโยชน์ภัยสาอย่างหลายเพราะอะไรกันนะลองปฏิบัติจริกเขขอฝากท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงท่านี้และขอนุอโมทนาทฐานผู้บริหารครูบาอาจารย์คระวิทัานาอาจารย์ทุกรูปในโอกาสนี้ขออำนาจกให้คุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปว่ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมร่วมกันนี้จง มารวมกันเป็นตบะกป็นมีชาเป็นพลวะตปัจจัยพโนวยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในการศึกษาเล่าเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการโดยปราศจากทุกสศงโรคภัยอยุปโภคันต ร, รายทั้งปวงเจริญยิ่งขึ้นด้วยอายุวันณะสุขภาพลปฏิภาณธรรมสาสมบัติณาสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบดีธรรมก็ขอให้ความปรารถนาท่านนั้นจงผ่านสำเร็จจงั่านํำเร็จจงั่ันํำเร็จสมโนรถมุ่งมากปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเถิด